สร้างเงาหลอกล่อนในตัวตนมืดมนทนเหน็ดเหนื่อยยากยินด้วยแรงพยานลวงตามายายรู้เฉพาะตนโดยดังตรินตอนที่25จักรวาลแห่งการกระทบกระทั่ง กรณีเฉพาะตนของวันชัยอาชีพค้าขายลักษณะางานที่ทำวุ่นวายกับงานจัดการทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องคุยกับใครต่อใครเยอะแต่และเรื่องที่ต้องคุยก็ชวนให้ฟุ้งซ่านทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการจัดวางสินค้าแต่และคนคิดไปคนละแบบพยายามตั้งใจพูดดีๆมีเหตุผลและดูอารมณ์ขึ้นลงของตัวเองไปด้วยแต่ก็ยังทาไม่ได้ คือเผลอไปอยู่กับเรื่องที่เถียงกันเต็มๆทุกทีคำถามแรกอยากทราบว่าการตบยุงถือเป็นการผิดศีลไหมและจะขัดขวางการเจริญสติเพียงใดนี่เป็นคำถามที่ผมได้รับบ่อยที่สุดและคิดว่าจะตอบได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อผู้ถามเป็นนักเจริญสติ ซึ่งใจหวังความหลุดพ้นจากกองทุกกองกิเลส ท, ทั้งปวงเป็นหลักเรื่องตบยุงนี่ลหละครับแทนที่จะคิดแค่ว่าบาปหรือไม่บาปผมอยากให้คุณมองเป็นภาพใหญ่ภาพรวมไปเลยว่าเรากำลังอยู่ในจักรวาลแห่งการกระทบกระทั่งนับตั้งแต่ระดับกาแล็กซีชนกันดวงดาวชนกันเมฆชนกันเครื่องบินชนกันรถไฟชนกันรถยนต์ชนกันคนชนกัน เรื่อยลงไปถึงระดับอะตอมชนกันนี่คือจักรวาลแห่งการกระทบกระทั่งตราบเท่าที่คุณยังอาศัยอยู่ในจักรวาล น, นี้อย่างไรคุณก็หลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งไปไม่พ้นเพราะมันคือธรรมชาติขั้นพื้นฐานที่มีมาตั้งแต่เดิมสิ่งมีชีวิตกระทบกระทั่งสิ่งมีชีวิตด้วยรูปแบบที่พิสดารกว่าการกระทบกระทั่งของสิ่งไร้ชีวิต และรูปแบบของการกระทบกระทั่งที่ชัดเจนที่สุดก็คือการรบกวนให้รำคาญกันทำให้เจ็บใจกันหรือกระทั่งทำให้แขนแน่นอกขนาดคิดลงมือประหัตประหารกันจิตของสิ่งมีชีวิตต่างได้สวยพบแห่งการมีภาวะอะไรอย่างหนึ่งก็ด้วยการจองเวรกันไปจองเวรกันมาอย่างกระทบกระทั่งกันไม่เลิกรานี่เองคุณถูกยุงเบียดเบียน แล้วยุงก็เหมือนเป็นสัตว์ตัวจ้อยไร้ค่าตบให้ตายตายไปเสียก็ไม่เห็นจะผิดแปลกแต่เรื่องของเรื่องไม่ได้อยู่ที่ค่าของชีวิตยุงเรื่องของเรื่องอยู่ที่คุณมีจตนาค่าพยายามค่าและค่าสิ่งมีชีวิตสำเร็จเมื่อยังมีความยินดีในการค่าก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ยินดีวนเวียนอยู่ในวงจรของการผลัดกันค่า ต่อเมื่อหมดความใยดีในการฆ่าอย่างไร้เงื่อนไขจึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้อโหสิปและพร้อมจะสละสิท์ในการเป็นผู้อยู่ร่วมจักรวาลแห่งการกระทบกระทั่งเสียทีลองดูปฏิหาริย์ของการไม่คิดเบียดเบียนกันและกันเถอะครับคุณไม่ตบยุงยุงก็ไม่กัดคุณหรือถึงกัดก็กัดน้อยยิ่งถ้าหากจเจริญสติได้จนถึงภาวะหนึ่ง ที่จิตรินเมตตาออกมาเองก็เหมือนทุกที่ที่คุณอยู่แทบปลอดจากการรบกวนจากสิ่งมีชีวิตตัวน้อยเหล่านั้นอย่างเห็นได้ชัดเลยทีเดียวปาฏิหาริย์ทางธรรมชาติที่กล่าวข้างต้นไม่ใช่ทํากันวันสองวันนะครับแต่ต้องพิสูจน์ใจกันเป็นเดือนเป็นปีกระทั่งธรรมชาติแน่ใจแล้วว่าคุณอยากออกจากวัตฏะแห่งการเบียดเบียนแน่ๆ ปาฏิหาริย์แห่งชีวิตประจําวันของผู้สงสีลจึงแสดงตัวตรงข้ามคงเห็นกันนะครับว่ายิ่งมีจิตประทุษร้ายมากคิดค่ามากๆ ก, ก็จะยิ่งถูกรบกวนมากเป็นเงาตามตัวเปรียบเทียบเช่นนี้แล้วในที่สุดคุณจะพบกับความจริงว่าโลกนี้แต่และคนมีที่ยืนเฉพาะตนอยู่ที่หนึ่งเป็นแนวโน้มว่าจะต้องกระทบกระทั่งหรือเบียดเบียนสิ่งมีชีวิตอื่นมากน้อยเพียงใด และที่ยืนนั้นก็ไม่ใช่อะไรอื่นมันคือจิตของแต่ละคนที่เป็นผู้มีศีลหรือไรศีล น, นั่นเองจิตของผู้มีศีลย่อมสะอาดปราศจากความเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อตั้งมั่นแล้วจะรู้สึกเหมือนยือนอยู่ในเขตปลอดภัยตลอดเวลาพร้อมจะเจริญสติได้อย่างมีกําลังและความมั่นใจ ส่วนจิตของผู้มีศีลด่างร้อยหรือขาดทะลุย่อมเต็มไปด้วยความกระวนกระวายเดือดเนื้อร้อนใจเมื่อตั้งมั่นและยอมรู้สึกเหมือนต้องวิ่งพล่านอยู่ในเขตอันตรายทั้งวันทั้งคืนจะเอาเวลาที่ไหนไปทำความสงบให้จิตได้พอจะเจริญสติไหวละ่ะคำถามที่สอง พยายามจริญสติเท่าที่จะนึกได้เหมือนที่ได้รับคําแนะนําว่ามีอะไรให้รู้ก็รู้รู้ได้แค่ไหนเอาแค่นั้นซึ่งปกติก็จะสังเกตเห็นความโกรธวูบๆวับๆที่มีอยู่ในระหว่างวันเรียกได้ว่าเริ่มชินกับการเห็นอารมณ์อันเป็นของภายในของตัวเองและรู้ว่าแต่ละวันโกรธได้บ่อยเพียงใดแต่เพิ่งเร็วๆนี้เองที่เพิ่งเห็นว่าตัวเองมีอัตตาและความยึดมั่นถือมั่นขนาดไหนเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อน คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเถียงกับคนที่เห็นขัดแย้งกับเราเราก็พูดออกไปว่าคุณจะมารู้อะไรปากพูดแค่นั้นแต่ใจคิดต่ออีกว่าพวกไม่เจริญสติไม่รู้จักธรรมะมันก็แค่นี้แหละตอนนั้นกำลังฉุนก็ดูด้วยความฉุนด้วยความเคยชินแต่ไปเจอความคิดนี้ด้วยเลยรู้สึกเหมือนตาสว่างเป็นครั้งแรกเห็นว่าเราคงไม่ฉุนหากรับฟังความคิดเห็นของเขาดีๆ ไม่ถือมั่นว่าเราเหนือกว่าคำถามคือจะกำจัดตัวความถือมั่นว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่สูงกว่าคนอื่นๆในโลกได้อย่างไรความสามารถในการรู้สึกถึงอัตตาของแต่ละคนมีไม่เท่ากันไม่มีใครเริ่มต้นด้วยการรู้ตัวว่าสำคัญตนผิดอย่างไรบ้างมีแต่ยึดมั่นว่าตนถูกอยู่แล้วกันแทบทั้งนั้น ต่อเมื่อเจริญสติรู้กายใจอย่างถูกต้องตามที่มันเป็นจึงค่อยๆเห็นความจริงไปตามลำดับโดยอาจเห็นผ่านจิตที่กาลังโลภหรือกาลังโกรธว่าตัวตนของเราเป็นอย่างไรศา ส, สนาเป็นของสูงและการเจริญสติก็เป็นของสูงสุดในพุทธศาสนาจึงไม่น่าประหลาดใจที่ผู้เพียรเจริญสติจะสาคัญตนว่าตนดีกว่าคนอื่นเป็นธรรมดา หมายความว่าความคิดเทียบเขาเทียบเราต้องผลขึ้นในหัวอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วใครจะสามารถเห็นหรือไม่เห็นเท่านั้นแหละกรณีของคุณอาจนับเป็นเทคนิคที่ดีสําหรับอีกลหลายหคนคือเราอาจเห็นตัวอัศมิมานะได้ก็ผ่านการดูโทสะหรือความหงุดหงิดขัดเคืองนี่เองดูบ่อยๆจนชินจนชํานาญหรือกระทั่งเห็นละเอียดเป็นขณะขณะ ในที่สุดจะเห็นครบเลยทั้งกิเลสระดับหัวหน้าและระดับสมุนเพราะมันมาชุมนุมรวมอยู่ในนั้นหมดแล้วขอเพียงดวงตาจาใสพอต้องเจอแน่และการมีสติเห็นอัสมิมาณนะบ่อยๆนั่นแหละครับจะเป็นตัวบัทอรกำลังและกระทั่งทำลายอัสมิมาณนะเสียให้สิ้นสากได้โดยไม่ต้องหาอุบายวิธีอื่นใดเพิ่มเติมเลยเพราะจิตยอมฉลาดในการละได้เอง หลังจากเห็นสิ่งที่เป็นโทษมากพออิ่มตัวมากพอแล้ ว, ทวมมบทความจากามิจยาสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่46เสียงอ่านโดย <ไป S 1> โจ<ด>โฉ เช่นไรกอ็ยอมจะเพียนน้องใจไปสู่ฝั่งฝากโน้นกำแพงกลางตรงานลอลวงจุดพังให้ท้อกายใจจะทนปีนขึ้นไปแม้มือแตกกร้าวพังยับเยิะ เซึมเมื่อเลียวแหลกเห็นความน่ากลัวที่เคยจองจำลึกล้ำในอดีตเยื่อใ่ที่ฟังลึกกินใจหมดสิน้น